อ่ะมีเท่าไหร่เนยมีเท่าไหร่ตัวนี<ฮ>้หกสองหกสองเนยนะ ก็ไม่ได้ประชุมเทศมนานมันจะร่วมสองเดือนแล้วมั้งเเกี่ยวความไม่สะดวกสบายในท่าในขันของเราเองมีกังวลมุ่นวายตั้งแต่เรื่องตาเดลืองขันของตัวเองขา ไฟจะเป็นเวลานานเวลานี้ถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมชาติที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเราของท่านหรือของใครก็ตามรู้สึกว่า ที่จะทําให้เลวลงนั้นมีมากกว่าที่จะทําให้สงบร่มเย็นและเจริญทางด้านอั ด, ด้านธรรมเพราะสิ่งยู่วยวนนั้นแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นทุกวันนี้มีมากมายเกิดขึ้นจากความมิยมสมชอบข อ, ของคนนั่นแหละโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งกับพวกชาวพูธเราชอบกันนักกันหนา ในสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาให้เป็นฟืนเป็นไฟมันก็ไม่เป็นเช่นอย่างไม้กิดไฟที่อยู่ในกล่องมันก็เป็นห่อไม้กิจไฟธรรมดาแต่นำออกมาใช้แล้วมันก็เป็นไฟได้นั่นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในโลกนี้ถ้าไม่นำออกมดใช้อันนั้น ออกมาทำลายมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ธรรมดาเช่นเดียวกับไม้ผิดไฟที่อยู่ในกล่องนั่นแหละเวลาอนาจของายต่ำมันมีมากมันก็ผลักดันออกมาให้คิดให้คน้นให้ขนขวายจนถึงกับได้นำออกมาใชา้ให้เป็นฟืนเป็นไฟ เขาโลกเขาทำประดมตามกันในบุคคลแต่และคนละคนซึ่งมีอยู่ได้ทั้งโลภทั้งธรรมถ้าเสาะแสวงหาให้มีจะนี้มักจะเสาะแสวงหาในสิ่งที่เป็นเครื่องทำลายจะมากกว่าที่จะเป็นความเจริญการศึกษาเราเรียนนั้นเรียนกันพอตกคลอดออกมาไม่กี่วันก็ส่งเข้าโร ง, งเรียน แล้วเพื่อให้รู้ให้ฉลาดเป็นไปตามเจต น, นาของผู้ต้องการให้บุกต้าหลานเหล่นั้งตนมีความรู้ความฉลาดเพื่อความสุขความปเป็นเลินแล้วก็ไม่ว่าประเทศไหนเมืองใดมันน่าจะมีความปเปรเลินุ่งเรื่องและสงบสุขรลมเย็นไปตามความมุ่งหมายมากต่อมากแล้วไม่มีบ้านเมืองใดที่จะบกพร่อง แต่นี่สิ่งที่บกพร่องอันไม่และเป็นสิ่งที่มึงไม่พึงปรักปรนน้ำม า, แ ต, า แ, ตแต่ไหนแต่ไรด้วยก็คือความทุกข์เหตุสาเหตุที่ให้ให้เกิดความทุกข์ก็คือความบกพร่องนั่นที่ว่าความบกพร่องนั้นก็เกิดมาจากความไม่ฉลาดแล้วก็ไม่สมที่ว่า อยากให้ลูกเต้าล้านเหลนของตนและตนเองมีความรู้ความฉลาดไปที่ไหนมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเต็มเป็นทั่วโลกดินแดนและการศึกษาเพื่อความรู้ความฉ ล, ลาดให้จเจริญรุ่งเรืองมันไปไหนกันหมดนะอีกที่ไหนเลยอันนี้เรามองไม่เห็นกันเลยข้ามไปข้ามมาในความรู้สึกว่าข้ามแไปข้ามมาแต่ความกินมันเหยียบย่ําเราตลอดเวลา ไม่ได้ข้ามมันข้ามไปข้ามมามีความมันมีเหยียบย่ำอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมกูกทางนิ้นทางกายสัมผัสสัมพันธ์เพื่อความล่มจมมิบหายอยู่ตลอดอิเดียาบดนี่ยทีว่าศึกษาเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดมันจฉลาดที่ตรงไหนนี่ควรนําออกมาคิดเราเป็นนักบวชนักบวชไม่ใกล้ควรนักบวชไม่พิณิพิจารณา นักบวชม่ศึกษารวมเพื่อความรู้ความกราดโดยอัดโดยธรรมแล้วไม่มีเพศใดที่จะละเอียดแต้มคมสุกคุ้มนมากยิ่งกว่าเพศแห่งนักบวชเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานของเราเป็นเพศที่พระพุทธเจา้าทรงมาดั้งเดิมจัดสรู้ก่อจัดสรู้ในกรรมฐานฟังเล ก, การอินญาบททั้งสี่คือพระอญบทของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ทรงปรารถนาและบำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพญ็ญด้วยกรรมฐานทั้งนั้นอยู่ก็อยู่แบบกรรมฐานเฉยก็แบบกรรมฐานปิยบททั้งสี่แบบกรรมฐานเ ท, ท่แบบรรา น, ทนั้นจนได้ตรัสรู้ขึ้นมา ก็เพราะกรรมาฐานอนาปานสตินะสฐานที่ตั้งแห่งงานที่ชอบทำและเลิศเหลือที่สุดของพระพุทธเจ้าก็คืออนาปานสตนะินั่นทรงบำเพ็ญมาอย่างนั้นจึงกลายเป็นความรู้ความฉลาดสุขขุมเกินโลกเกินทสงสารสมควรแห่งความเป็นศาสดาของโลกนี่เพราะความไข่ครวญเพราะความปิณิพิจรารณา เพาความทุกขุมความผิรภาพทุกด้านของพระพุท ธ, ธเจ้านี่เราเป็นลูกศิษย์ของศาสดาน่าจะได้แบบได้ฉบับมาใช้ในจิตใจอียาบทละของเรามันงควรจะพวดพลาดพูดพลาดไปตามแบบลกูกแบบสงสารอำนาจเพราะอำนาจแห่งที่เล็กตัณหาซึ่งมันผลักดันอยู่ภายในที่รุนแรงมากยิ่งกว่าธรรมจะแสดงออกได้ เพศนี้ไม่พิจิตรพิจารณาแล้วจะไม่มีเพศใดถ้าเป็นน้ำก็ไม่มีเกาะมีดอนเลยจะเป็นกลองฟ้ามาหาสมุทรไปหมดเพราะอํานาจแห่งที่ดดกันหาท่วมหัวใจของสัตว์โลกเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องกําจัดไม่มีธรรมเป็นเกาะเป็นดอนโลกยัหาความสุขไม่ได้ถ้าไม่ใช้ความพิพิจารณาโดยธรรม พาความแบบไหว้ออกจากสิ่งที่อยากยยํมทำลายอยู่ภายในจิตใจอันนี้ปราดท่านตำหนิกันมาทุกๆุกพระองค์คำว่าปราดนันหมายถึงองค์ศาสด า, า, าแต่ละพระองค์พระองค์คือจอมปราดไม่มีพระพุทธเจ้า พ, พระองค์ใดจะชมว่าสิ่งต่ำกามและเคยเป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายว่าเป็นของดีมีคุณค่า แต่ธรรมชาติอันนี้เเคยเป็นค่าสืบ ร, รบกันมากับธรรมของศาสตาคือธรรมท่านว่าไม่ดีมันก็บอกว่าดีธรรมว่าเป็นความเสื่อมความเสียเป็นพิษเป็นภัยมันก็บอกว่ามันเป็นขุนฟังดูสิ่งที่ขัดแย้งกันมันอยู่ภายในจิตใจของเราแต่ละคนลวคนนันแหละ ถ้าแนะนำทำเข้าไปพิจรารณาพินพิจรารณาสังเกตนกว้าหายเหตุเหล่านี้หรือธรรมชาติเหล่านี้แล้วก็จะไม่พบไม่เห็นแต่จะได้รับความทุกข์ความปรมานเพราะมันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นผู้ที่จะพิจรารณาให้ถึงเหตุถึงผลถึงรากถึงฐานของมันจริงๆถึงกับกา ร, การทำลายมันได้ ก็ต้อตงเปนเพศแห่งลูกศิษย์ถาคตคือพระเรานี่ยจะเป็นลูกศิษย์ถาคตได้อย่างแท้จริงถ้าตั้งใจให้เป็นตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วซึ่งเราก็ไดยสวยดทุกวันว่าสวข้าโตะาควตาธรรมโมนี่คือพระธรรมที่จกักไว้ชอบแล้วชอบแล้วมาทั้งสิน้น ตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจะมาทาถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแห่งธรรมแห่งธรรมและโลกแยกจากกันได้เราสวดทุกวันทานี้นะเี๋ยวเราจัดชอบแล้วนี้ให้นำมาพฤดปฏิบัติกาจัดสิ่งที่ไม่ชอบซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจของเรานี้ เราจะมีความสงบร่มเย็นความรู้นั่นแหละอยู่ภายในตัวของเหล่านี้ที่เป็นเครื่องรับสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมามทั้งโลกทั้งธรรมคือทั้งกิเลสทั้งธรรมมันอยู่ที่ผู้รู้คือใจธรรมก็อยู่ที่ผู้รู้กิเลสก็อยู่ที่ผรู้ สติธรรมปัญญาธรรมแล้วลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นสติพิมิตพิจารณาให้เป็นธรรมเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมไม่เคยคือเยล่าสมัยถ้าเราไม่พาคือพล่าสมัยเสีให้หกิเรีดเหยียบท่ำทำลายตลอดเวลายอยู่ที่ไหนให้มีสติอยู่กับตัวความเพียรอย่าเหินห่าง จากจิตใจด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญานี่คือความเพียรโดยแท้ของนักบวชเราตามองค์ศาสดาที่สรงสั่งสอนไว้คือความเพียรด้วยสติด้วยปัญญารักษาใจนี่ที่ผู้ไม่ร้ายสาคิดออกมาเรื่องใดก็ตามถ้ามีสติแล้วจะทราบปันทันเทียนคือว่าเป็นความคิดถูกหรือผิด ยิ่งความคิดด้วยความมีสติด้วยแล้วจะเป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นข้าศิกแฝงขึ้นมาเลยนอกจากจะปล่อยให้อำนาจของกิเลสตันหาอยบย่ำทำลายสติปัญญาให้หายหน้าไปหมดและมธรรีธรรมชาติอันนี้ทำงานเท่านั้นจึงจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นที่หัวใจของเราทุกคนให้พากันนมัส่าง ใจดวงนี้เป็นผู้รับเคราะรับกรรมในกิ่งชั่วทั้งหลายที่ตนทำลงไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะปราศ จ, จ, จากเจ้าของที่แยบคายที่ฉละได้เกียสติปัญญาเป็นเจ้าของของผู้รู้อพฉะนั้นจึงต้องสั่งสมธรรมชาติทั้งสองนี้ไว้ในียบบทต่างๆอยากให้ร้านสาระ จากพระเราผู้ตั้งใจชำระสิ่งไม่ดีทั้งหลายภ า, ายในใจนะจะได้ดจะได้เห็นบ้างว่ า, าศาสดาองค์เอกแต่และองค์องค์ที่สอนธรรมไว้เพื่อความสงบร่มเย็นจนถึงขั้นประมังสุขขงังธรรมก็ประกาศเอาไว้ว่านกติสันติปรัรงสุขขงังนี่ก็คือสุดยอดแห่งธรรมนั่นแหละ สุดยอดแห่งความสุขที่ทำพาเดินที่ทำพาก้าวพาไปอุรักครนะ่ในธรรมจะเจอธรรมบทนี้นาติสันติประลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอะไรลราไม่สงบดินฟ้าอากาศเขาไปอยู่ตามธรรมชาติของเขาลมไฟเขาไปอยู่ธรรมชาติของเขา สิ่งทั้งหลายในแดนโลกธาตุนี้อยู่ตามหลักธรรมชาติมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่แสดงอาการผดโผนโนดเต้นให้เป็นฟืนเป็นไฟเหมือนหัวใจของสัตว์โลกนี้เลยนั่นเมื่อหัวใจนี้ได้ถูกช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆของเจ้าของคือสติปัญญาแล้ว รรมทาที่เคยรุนแรงที่เคยเป็นชุยเป็นไฟผาดโผลนอยู่ภายในใจิตใจจะสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปจนะนกระทั่งถึงสงบราภาไม่มีสิ่งใดเหลือเลยตามบทธรรมที่ว่านัติสันติ ป, ประรังถุกขั ง, งนั้นจะเด่นชัดขึ้นที่ภายในใจดวงนั้นๆแหละที่มีธรรมที่ว่ารักษาปราบปราบให้ได้เห็นธรรมบทนี้ ตามทางศาสนาที่สมมหน่หวังอย่างยิ่งต่อสัตว์โลกบ้างพวกเรานักดีสันตีป ร, รังสุขขังหรืออื่นยิ่งของความหายิ่งของความสงบมันคือที่อื่นไหนก็ดีที่ความสุขดังที่กล่าวนี้จะเกิดขึ้นไม่มีถ้าเกิดขึ้นที่ใจดวงนี้ได้เท่านั้นนอกนั้นไม่ปรากฏ เพราใจตรงนี้เ <and> ก <AIDS availability> <milk> <t> ิดได้ทั้งไฟทั้งน้ําะเกิดไหวได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทุกที่เป็นอนันตริยะทุกข์ก็มีที่ใจเกิดได้ที่ใจสุขที่เป็นปรังสุขขังก็เหมือนกันก็เกิดได้ที่ใจของผู้รักษาตัวเองนะทำที่จะยังใจให้ ขั้นนัตติสันติพลังบุก ข, ขังพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ทุกบททุกบทตั้งแต่พื้นพื้นเนี่ยถังก็เพื่อจะก้าวเข้าสู่นัตติสันติพลังบุก ข, ขังนี่แหละไม่ได้แยกไปที่ไหนเลยเพาวะว่าเป็นผู้มีศีลกัมั่นกันความทําลายศีลก็คือทําลายตัวเราเนี่ยท่านจึงให้รักษาศีลเพื่อรักษาตัวของเรากายวาจา การแสดงออกไม่ให้เป็นภัยต่อจิตใจตัวเองสมาธิคือความนุ่มเย็นของใจไม่ดิ้นโดนปวดแกว้งกระวนกระวายเหมือนถูกฟืนถูกไฟเผาก็คือสมาธิของใจที่สงบด้วยอำนาจนการกาจัดสิ่งที่พายพุ้งสั้นทั้งหลายด้วยบทภาวนาบทใดก็ต่างท่านก็สอนไว้แล้ว หมดธรรมที่จะทําใจให้เกิดความสงบร่มเย็นท่านเรียกว่าสมาถะธรรมนี่ก็เราคล้ายๆก็ได้อ่านได้เห็นตัวกรรมฐานสี่สิบห้องคืออะไรบ้างเนี่ยนี่เป็นธรรม่สงบให้ใจสงบเพื่อดับปืนดับไฟยิ่งจะแจ้งถึงเรื่องวิเลรประเภทต่างๆให้เห็นชัดและทําลายกันได้ ก็คือปัญญาท่านก็แสดงไว้แล้วทุกขั้นของปัญญานี่เป็นเครื่องสังหารกิเลสส่วนสมาธิเป็นเครื่องต้อนกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมเพื่อการทำลายได้ง่ายสมาธิจึงมีความจําเป็นที่ต้องไล่ต้อนกิเลสตัวพุ่งสา่นวนวายตัวคือ ต, ตัวขนองให้เข้าสู่ตุดที่จนกรอบจนมูมื่แล้วใช้ปัญญาพิณิพิจาคลี่คลาย ว่าฟันหันแหลกกันไปโดยลําดับลำราวของปัญญาและของกิเลสประเภทต่างๆที่เหมาะกันกับสติปัญญาจะท่ามหันกันในวาระนั้นๆ <c oughs> จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจนี่เราจะไปหาความสุขที่ไหนมันก็เห็นชัดๆอยู่ภายในจิตใจเพราะปรับไปจากค่าสึกภายในตัวเองเท่านั้นคําว่าค่าสึกก็คืออะไรอีหล่ะเนี่ย จะหนีไปเจไปเร่ไปได้ยังไงเร่มันไม่อยู่ที่อื่นที่ไใดมันอยู่ที่ใจเท่านั้ น, นก็คำจัดจนลงด้วยสกติปัญญาดังที่กลางแล้วไม่มุดหลุดพ้นก็พ้นจากสิ่งจองจําทั้งหลายนี้เองไม่ได้เจพ้นจากอะไรเนี่นี่ตั้งมีูที่นี่ทั้งหมดรวมอยู่ที่ใจดุงนี้ ในางานนี้ยิ่งในหัวใจเฉพาะ อ, อย่างยิ่งของชาวพุทธเก่าน่ะมันดื้อด้านหารกล้าเขา้าฝีตุอย่างขึ้นชื่อว่าไม่เป็นอัตเป็นธรรมแล้วย่อนเข้ามากักบวชเราให้ระวังให้มากอย่างนี้มันกลายเป็นความดื้อด้านไปแล้วนะ หรืเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเพราะมันชุมมันชาหน้าด้านในสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายในสิ่งที่ประหลาดทั้งหลายท่านตมิติเตียนถึงขนาดอย่างรุนแรงมันก็เห็นว่าเป็นธรรมดาไปหมดพราะพิเรศพาให้ด้านนะในใหละวัระวัะวงให้มากนะศาสนาที่ว่าสิ้นสุดไปจากโลกศาสนาไม่มีในสมายนั่งท่น ล่วงไปคณะปีธนีปีศาจศาสนาทั้ ง, งหมดมันพูดหมดจากหัวใจแห่งความเชื่อความเคารพนับถือของสัตว์โลกนั่นแหละไม่ใช่คำภีรใบาลานคําว่าบาปบาบุญได้หายไปนรกหายไปสวรรค์หายไปบาปบุญหายไปจากธรรมชาติแห่งความจริงของตอนแต่มันหายไปที่ หัวใจของศัตว์โลกที่เชื่อต่อความดีความชั่วทั้งหลายเพื่อจะได้ละเว้นและสั่งสมให้มีขึ้นพายในใจนี้เท่านั้นมันหมดไปที่หัวใจนี้คำว่าบุญมันก็ไม่มีควา ม, มลุกรู้พอที่จะสะแสวงบุญเสียคำว่าบาปมันก็ไม่ลึกรู้พอที่จะกลัวบาปที่อดต่ปะมีในใจเสียแล้วสุดท้ายมันก็ถูกเจต้อนเข้าสู่ว ง, ง่าตุ่าต์สัว์ อะไคือไข่สัตว์มนุษย์สัตว์ทุกประเภทถูกพิเหรนมันต้อนเข้าไปสีว่วงข้าศัตร์ข้าศัังหารทำลายาลเลอดเวลาเพราะฉะนั้นไปไหนจึงมีแต่ความทุกข์ร้อนบนหัวใจสัตว์โลกเป็นไปหมดแต่พออย่างยิ่งมนุษย์เราที่ปากมันปปเปาะๆนี่ไปที่ไหนมือจะยิ่งยินแต่เรื่องบ่นว่าทุกข์แต่การสั่งสมทุกข์คนขวายทุกเลือกเผาตัวเองนั้นไม่มีคําว่าถอยแม้รายเดียวครับ จกไม่ปรากฏแล้วตัวนี้เพราะเป็นนั้นจะให้ทุกมันดับก็ได้ยังไงเมื่อมีการส่งเสริมควอมูอต่ตลอดเวลาเช่นนั้นในนักกรรมฐานเราก็เหมือนกันอยากพบอยากเห็นความสงบสุขร่มเงยน็นความชิ้นที่เล่แต่เต็มไปด้วยความที่เกียบขี้ข้านอ่อนแอพอแค่เหลวไหลในการตัวเพื่อปฏิบัติตัวนะความดีมาจากไหน กิเลสมันชอบสิ่งที่เราชอบนั่นแ่ะคือกิเลสนั่นแหละพาให้ชอบไม่ใช่พาใครพายห้ชอบแต่เราไม่รู้ผลของมันมันก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งจูงเข้าไปในโรงมฆ่าสัตว์มันก็ไม่รู้จูงเข้าไปถึงที่แล้วหาที่ไปไม่ได้แล้วจนกอกเต็มที่แล้วถึงจะทราบก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะตายเสียสุดท้ายก็ตายตายตา ย, ตา ย, ตายด้วยกันสัตว์ตัวใดที่เข้าอยู่ กล้าเข้าสู่ในโรงเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์แล้วไม่เห็นมันรอดออกมาได้หรือนะนี่กับมันกันถ้าโงที่เรียดได้ต้อนเข้าไปแล้วเพืเออ่อทำหน้าแึงความฉลาดของมาันก็เปลี่ยนเช่นนั้นพอถุงวาระเขาลื่มตัวถึงวาระพอจะรู้ตัวก็เป็นวาระที่ซ้ายเกินไปเสแล้วซ้ายเกินไปเสแล้วทําไรมันดีแล้วหรือที่ว่าสายเกินไปในสิ่งที่แม่กวรให้สายนั้น่นะเวลานี้ใจของเราเปลีป่ยน สิ่งที่ผิดกันขึ้นเพื่อความเป็นฟืนเ ป, นเปนล่ยนไปเดี๋ยวนี้ทุกหย่อมหญ้านะเขาถูกพิเดียนมันกล่อมองอย่างซะหนิถือเป็นธรรมดาถือเป็นความนื่นนึงบันเทิงถือเป็นความนับถือเป็นความนิยมกันทั้งทั้งที่มันเป็นฟืนเป็ี่ยนไปเวลาเนี่ยมากจริงๆริงนะจนเรียกว่าเนื้อหูเหลือตาเนื้อหัวใจที่จะคิดจะอ่านใส่ตรองตามมันได้ถ้า มีข้อคิดมีความคิดเพื่อจะหยิบเลี้ยงเพื่อจะแก้ไขอยู่แล้วก็เป็นดังที่ว่านี่คือมากต่อมากตาสัมผัสภาพก็คือค่าสุดหูสัมผัสภาพก็คือค่าสสัมผัสสัมพันธ์กับเครื่องอะไรมีแต่ค่าสุดที่มนุษย์นี่ส่องแสวงหามาเผาตัวเองเท่านั้นทำจึงยากที่จะเกิดขึ้นได้แล้วความทุกข์นับวันที่ทวีคูณขึ้นโดยลําดับตำดา นี่นะ่ะที่ว่าโลกมันเจริญบูว่าทิ่มันไม่ได้เหมือนธรรมเจริญนะโลกเจริญนี่ความรุมร้อนจะเผาแผดเผามากขึ้นโดยลํำดับลำดับแล้วไม่มีใครเห็นโทษของมันด้วยเพราะความรู้ความฉลาดไม่พอที่จะเห็นโทษของมันได้ยิ่งต้องในถูกมันขับใส่อข้าลงฆ่าสังลงความทุกข์ความทร ม, มานตลอดเวลา เรานี่แบกคำภีอยแท้ที่หัวใจทำไมจึงต้องให้เป็นวิรลยะมันใสใเขาลงข่าสัตว์เหมือนดังโลกทั่วไปล่ะมันไม่งูกว่าเขามากไปแล้วหรืออย่างนี้ลงากรรมฐานกรรมฐานมันจะมีแต่ชื่อนะจะไม่มีความจริงนะอย่างกรรมฐานหรือผู้ประกอบงา น, น, า น, านนะต้อาพันั้องพันอย่างนี้จะไม่มีนะ ทางยังกรมเป็นยังไงบ้างนี่ทางของศาสดาทำงานสำนัก ง, งานของศาสดาของพระสาวกอรหันประหานท่านคือทางจมกรมสถานที่ในป่าในเขาลำนอไพรต่างๆดังที่ท่านสองไว้ย่อๆว่าลุกโมโลิเซ น, นาสนางังนี่เนี่ยสถานที่ที่ทํางานของจอมปราดทั้งหลายเพื่อความบุญ พ, พ้นพวกควา ม, มเลื่อเลย ในป่าในเขาในถ้ำเนื้อผาฟังดิงานของท่านฮุเจสารุมานะขาตาันตาแต่ตัวตลอดอาการ32และทดทั่วไปที่จะสูงข้อเข้ามาในงานเพื่อความหยุดพ้นด้วยความเทียนที่ประกอบ ด, ด้วยสติปัญญาทางจงกรมเป็นสถานที่ทำงานของจอมปรากที่ประพุทธเจ้าของเรา ของพระสาวกอระหัสนทั้งหลายนั่นหละคือทางจงกลมในป่าในเขาที่งดงเยี่ยมอาหารเดือ บ, บินธบาตปินียาโลภโพชนังในไส้ประจาได้มาด้วยกำลังปีแข้งของตนไม่ฟุ้งเฟอ้อเหื่อเหม ก, กับการดูก่การกินการหลับการ น, นอน มีเท่าไรก็กินตามเรื่องฉันตามเรื่องและมีความมักน้อยเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจไม่ให้ความฟุ้งเฟ้อ่หงเกิดขึ้นได้อปิชาตานปราบอยู่เสมออปิชาตาิแปลว่าความมาักน้อยทำมาสันโดษมีความยินดีถ้าลดลงมาก็มาสู่ความยินดีตามมีตามเกิดต า, ต, าตามได้ไม่ฟุ้งเฟ้อ่หงกับสินทั้งหลายที่จะให้เป็นภัยจะตนคือปัจจัยสี่นะ นี่แหละปลาท่านเดินท่านเดินอย่างนี้สารณะของพวกเราพุทธทางสลังกฉานี้ท่านท่านเดินอย่างนั้นสํานัก ง, งานของท่านก็ยังที่ว่านี้ท่านมีที่ทํางานไม่อยู่เร่ๆล่อนๆแต่แฝงความปลอมเหมือนกรรมาฐานแต่ชื่อดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เดือนบืนไปหมดไม่มีเลยทางยุงคมจะไม่มีเรือนั้นเด่น ที่ทำงานของพระกรรมฐานจะมีแต่ชื่อนะสถานที่ภาวนาอียาบททั้งสี่จะมีแต่ของปลอมเต็มไปหมดนะจะไม่มีอียาบทที่เป็นภัยต่อกิเลสไม่มีอียาบทที่เป็นคำว่า ก, กรรมฐานคือประกอบความภาคผาสเพียนทำงานตามหลักาศาสดาที่สอนไว้นะจะไม่มีอะไรเหลือเลยอลไนี้ให้คาหนึ่งเสมอผู้จะปฏิบัติเพวยความพ้น์ ศาสนาท่านดำเนินยังไงท่านก้าวเดินไปแบบไหนบ้างท่านสอนไว้หมดมต้องแต่ท่านเฉลิมเฉไหนกับเพราะศาสนาแท้ๆนั่นก็ก็ใจดึกไพไวเห็นไหมละ่ะ<ม>นี่ท่านเดินสถานที่อยู่ของปราดทั้งหลายท่านอยู่ยังไงท่านปกฉันยังไงท่านช่ายสอ ย, ย่างไงนั่นปัจจัยสี่เป็นยังไงบ้าง ปัจจัยสี่ของจองปากขึ้นเป็นของพู้จะฆ่าที่เหลี่ยมท่านจะดำเนินตามด้วยความสนใจคําว่าพุทธังสนังกระฉามนี้ถือพระเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับฝากเป็นปากตายปากตรงนี้ในจุดที่เป็นธรรมเพื่อค่าที่เหลี่ของตัวเองนั่นสิถึงจะถูกฉั้นทางสนังกระฉามนั้นกันท่านพาดําเนินยังไงท่านดําเนินจะมาอย่างไร ทั้งกลางสนามกระฉามนี้ก็คือคนธรรมดาเหมือนเร า, เร า, เ, ราเราท่า น, า น, นเบื้องต้นแต่เมื่อได้ต่อสู้กับพิเรดด้วยอำนาจแห่งธรรมบนหัวใจเป็นชีวิตจิตใจแล้วท่านก็เป็นสนาระขึ้นมาทำมังสนามกระฉามนี้ปรากฏขึ้นมาได้ด้วยการของขวัยที่ถูกต้องดีงามของศาสดาและสาวกทั้งหลายนล่เราให้เกิดขึ้นภายใจิตใจของเราด้วยวิธีการไห บ, บ้าง ก็ควรนํามาทพิจารณาใหดูที่เฉยเดินยองกองมันจะฝ่ามันขาขาดเนี่มันเห็นเป็นยังไงเกิดมานี้ไม่เคยขาขาดก็เดินยองกองฝ่าเท้าแตกดังขาดอัสดามนดังทำท่านสอนไว้ดังพระสาวกบางองค์ท่านนําเหนื่ยก็ให้มันเห็นมั่งที่ฝ่าเท้าแตกมันมีแต่ม้อนแตกเสือขาดพ็นั่งมาอยุดนอนไม่อยู่ นั่งนอนด้วยความที่เกียจชีพางมันขัดกันไปอย่างนั้นระหว่างศาสนาสาวกศาสนากับพวกเราไปไหนมีเดี๋มองเห็นมีแต่ผ้าเหลืองมนแต่สีผ้ากรรมฐ า, านแต่งานของกรรมฐ า, านไม่ไม่มีเหลือมีแต่กิเลสทางานดูนของใจของกรรมฐ า, านการแสดงออกมีแต่เรื่องของที่เลสคล้ายแสดงทําไม่มีแสดงจะเอาความเลื่อนเรือมาจากไหน พระเรานะ่ะพิจารณาให้มันถึงธรรมด้วยให้ถึงกิเลสแล้วก็ถึงธรรมถ้าไม่ถึงกิเลสแล้วจะไม่ถึงธรรมเพราะธรรมนั้นถูกกิเลสครอบเอาไว้เวลาเนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องลากธรรมต้องลากกิเลสออกมาเ้วยอำนาจของสติธรรมปัญญาธรรมวิรยิยะธรรมนี่จะได้เห็นเรื่องของกิเลสนอกนั้นไม่เห็นผู้สิตังนะคือความขี้เกียจ เห็นวิธียังความเพียนเร็วไม่มีทางที่จะให้รู้เรื่องของกิเลสเป็นยังไงพอดีเรื่องของธรรมเป็นยังไงจะไม่เห็นไม่รีบททั้งสี่ยายลืมตัวนี่ก็พระก็มากด้ดยลำดับลำดาในวันนี้ เนื่อมาเพื่ออะไรใม่เสียเมนียบศึกษาทั้งทางตาทา ง, ท ง, ทงหูจิตใจเป็นสั้งคัอยาอยู่วิเฉยใช้ความคิดความอ่านนี่ที่หนักใจเวลา น, นี้ไม่ได้ยกตนข่มท่านมาเราพูดในฐานะลูกศิษยกับอาจารย์แล้วมองดู้อกับปิริยาการแสดงออกของหมู่พวกนมักจะไม่ค่อยใช้สติปัญญานี่ที่ที่เคยพูดเสมอเสมอ มันน่าพูดจะไม่พูดยังไงก็มันสะเทือนอยู่ในสายตาในหูขณะที่ฟังขณะที่เห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนสูงที่มาอาศัยอยู่เพื่อการอวมศึกษาหาความรู้ความฉลาดแต่การแสดงออกนั้นมันไม่ใช่ความรู้ความฉลาดดังที่มุ่งมาศึกษานี่นะหรือว่าผููเป็นหัวหน้านิพากาแสดงอย่างนั้นเหรอนี่ก็มาพิจารณาเลยนะค่ะ แล้กิเลสมันจะหลุดลอยไปด้วยวิธีการอย่างนั้นเลอนี่ผิดกรรมกาอีกแล้วะแสดงออกด้วยวิธีการอย่างนั้นกิเลกก็มันก็จะต้องกิเลสไปหมดไม่เป็นธรรมครูบาอาจารย์ผู้เป็นธรรมท่านเอานั้นเหลือมาสแสดงนี่มันน่าคิดนี่นะทําอะไรไม่คล้าความเป็นพี่เจริญ เวลามีแฉกมีคนกันให้ระมัดระวังอย่าไปพ้นกับใครแต่ไม่รังเกียจใครหากไมุ่้นกับใครนอกจากทำเท่านั้นที่เป็นที่ฝากเป็นฝากตายของพระของเราให้หนักนในธรรมทั้งหลายนี้สติธรรมเป็นสําคัญสติธรรมที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาพูดขึ้นมาไม่ว่านจะเป็นวาลัสราย สตินี้สติธรรมนี้จะปราศจากไม่ได้เพราะเป็นธรรมมีสาคัญมากทีเดียวเป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดแห่งธรรมทั้งหลายทุกแง่ทุกมุมของธรรมเกิดจากสติธรรมนี้ทั้งนั้นยังไม่พูดถึงเสมอเสมอถ้าเป็นอาหารก็บอกเลกทีว่าเป็นพื้นฐานของอาหารนั้นเองนี่ก็อ่อนลงอ่อนลงทุกวันอ่อนลรู้ใน ในหัวใจของเจ้าของที่เคยใช้ต่อโลกรู้สึกว่าอ่อนเข้ามาอ่อนเข้ามาหมดเข้ามาหมดเข้ามาสุดท้ายเลยทำจะเป็นลักษณะที่ว่าให้อิจนาละอาใจไปแล้ ว, ลวค้นควาทาเป็นความค้นวายน้อยเข้ามาน้อย เ, าาเพราะอะไรนี่มันก็ทราบเรื่องสาเหตุแต่ไม่จำเป็นต้องเจรนายกันอหมือเรียนมาจน เต้นพิธีกำลังแล้วเรียนเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องเท่าลงแจกเรื่องความทุกข์ความลำบากอะไรเรียนมันจะอิดตลอดเวลาโลกวนี้เหมือนกันเรียนมันจะจนเอ้าให้มันจบในหัวใจดิอืมแล้วมันจะสุดกันที่ตรงนั้นจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยถ้าเรียนเรียนโลกให้จบด้วยธรรมแล้วไ้่มีอะไรเป็นปัญหาสร้างขึ้นในหัวใจได้เลย เปันเป็นปัญหาเดี๋ยวนี้ก็คือเราตามไม่ทันมันนั่นเองเรื่องของโลกตามไม่ทันเพราะมันแหลมคมมากคําว่าโลกโลกจมะหมายถึงที่เรียบเป็นพื้นฐานของโลกจะหมายถึงอะไรนี่แหละมันสาคัญที่ตรงนี้จึงต้องอาศัยธรรมมาเป็นเครื่องผุดถึงเครื่องค้นกันขึ้นมาอันไหนที่ควรสงหารทําลายก็เอาให้เรียบไปหมดปันหัวใจแล้วจะไม่มีปัญหาเลยนี่เลยเรียนสุด สุดเหตุสุดผลสุดโลกสุดทางสุดที่หัวใจเนี้ยกม็มีอะไรเป็นปัญหาขึ้นมาไดยรับความทุกข์ความลำบากอีกเหมือนแต่ก่อนอืมเลาให้หนักในความเพียรนะสถานที่นี้เป็นสถานที่หนักวามเพียรนะ ผู้ว่าจ้าพาถือหัวใจถ่าถือความเขียนนี่เป็นหัวใจของพระกรรมทานของผู้ต้องการความพ้นทุกยาลืมอย่าให้เห็นเด่นๆ ด, ด้านๆเกๆ ก, กังๆอะไรที่มองดูแล้วมันขวางตาตาจะแตกมา วันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ให้มีงานอะไรเลยให้มีตั้งแต่เวลาประกอบความภาคเพยียรของพระของหนึ่งเท่านั้เราเราสังวนมากเรื่องนีง้เพราะเราไม่เห็นจริงได้ว่าเป็นของเลิ่อเลยยิ่งกว่าการประกอบความเพียรเพื่อสังหารจิตเดชตัวเป็นภัยภาญจิตใจของเราแต่และค น, คนแต่และองค์เราอันนี้เป็นสําคัญมากคุณต้องให้มีเวลาเพื่ออันนี้อย่างเดียวเท่านั้นเราอยากพูดว่าอย่างเดียวเท่านั้น สิ่งนั้นอาศัยชั่วยการช่วยเวลานิดหน่อยเพียงไม่ไปกังวลกับมันให้มีหน้าที่การงานอยู่กับใจอย่างเดียวเดียวอยู่กับความเพียรอย่างเดียวใครอยู่ที่ไหนก็ให้เป็นความเพียรอย่นั่นเลเดินโยกมนั่งสมาธิภอวนานี่คืองานของพระอย่าให้ลดน้อยถอยลงไปนะจะลดคุณค่าของพระองค์ไปเรื่อยๆดับหนั หากพระเรายังพอมีคุณค่าอยู่บ้างนะถ้าไม่ให้กิเลสเอาไปถลุงซะจนหมดหคุณค่าแห่งธรรมที่ควรจะมีอยู่ในใจนั้นนะนะพอเล